นั่งปฏิบัติธรรมนั่งพังทาการจับัตถเจนการดวยวันสองวันเราจะได้ยิงหลวงพ้อเขียนนั่นแ ท, ท้หรือมติทีพอเราปฏิบัติเข้าลองเข้าลอยเปิดอลรมปฏิบัติ หลวงปูมเขียนหลวงปมเตียนรอว่าหลวงปู่เตียนเนี่ยหาฟังยากแต่สัวนให ญ, ญถ้าไม่ปฏิบัติฟังไม่ใครรู้เรื่องเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองฟังดูหรือว่าที่เก็บเก็บสัมผัสาจากนักปฏิ บ, ททบัติธรรมบางผู้ใหม่ผู้เก่าหรือ ว, ว่าผู้ใหม่วันนี้ก็ ปรับเนื้อปรับตัวกันพอสมควรสิ่งแวดล้อมข้างล่างอากาศร้อนข้างบนอากาศเย็นก็ปรับบนเนื้อากาศชื้นเวลาฝนตกยิ่งชื้นหก0องค์สัมผัสความชื้นสัมผัสความชื้นสัมผัสมันก็ชื้นอาการอยู่เชื้อลาย เยอะวันนี้ของใช้แต่าาเราไม่ได้ใช้สักวัน2องวันเชื่อราขึ้นละดูกอสมควรเราก็จะในะระับเนื้อปรับตัวการตื่นการหลับเคยนอนอยู่ก็ได้ตื่นมาทำวัดแล้วยังไม่ได้ฉันข้าวเช้าทานข้าวเช้าอยู่ที่นี่ก็เอาแล้วต้องมื้อเช้าเคยมื้อเย็น ได้รับทานอาหารตอนนี้ก็ต้องดื่มน้ำป่านะหรือว่าน้ำเปล่าๆก็ปรับนะมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยเราก็ตั้งข้อสังเกตพระเหมือนกันตอนช่วงต้นต้นของการอยู่ป่าสุกโตเนี่ยก็จะเห็นคล้ายๆายกันเจอน้ำในสระที่ก็คันทั้งตัวเลย เพลินคันขึ้นบางทีนอนอยู่เนะี้ยมันก็มีตัวอะไรมันมากัดเป็นตุ่มๆเห็นตัวเลยนะรูปปลาเนะี่ยคันไปหมดบางทีก็ท้องเสียพอเริ่มต้นปฏิบัติวัน2วันนะเจออาหารท้องเสียเดี๋ยวนี้สะอาดขึ้นเยอะนะซอยก่อนดนะู ทำไมมันท้องเสียลงท้องอยู่ตลอดเนยอ้วนๆพร้อมไปเลยแล้วปรับทาากันพอสมควรปรับตัวเข้ากกุฏิสลาเสนาสนะไม่คุ้นไม่เคยเวลาไปรวมกันที่สลากลางน้ำ พระไปรวมกันหลายๆ ล, ลูกญาติโยมเมื่อก่อนก็พาไปไปบัต mm hmm. รสลากลางน้ำก็โยกเยกโยกเกกโยกโยกย ก, mm hmm. ก็เพื่มสั่นสะเทือนมันจะล้มคลืนลงมา mm hmm. มันอยู่ในสะถ mm hmm. าลลาก็เป็นเลนเป็นโคลน mm hmm. ไปได้แข็งแรงอะไร mm hmm. ก็ต้องปรับใจ mm hmm. ขึ้นบันไดลงบันไดต้องระมัดระวังบางทีก็ลื่นตกลงมาก็มี หลายสิ่งหลายอย่างพออยายาปรับตัวกับเพื่อนๆรูปแบบปฏิบัติต่างๆต้นไม้ศัจาจาราสิ่งมันก็มีความกังวลพอสมควรปฏิก์หมดหิกัดเครืองน่งเยอะเราไม่เคยอยู่แบบนี้อาศใใัยความเชื่อความศรัทธาดึงขึ้นไหม จะเออความรู้ึกตัวหรือว่าการฝึกสติถ้าฝึกเราก็ทําเป็นแล้วไม่ทุกข mm ์ถ hmm. าศัยความเชื่อแบบนั้นเราเป็นวิชาที่ท้าทายพอสมควร mm hmm. ครูบาอาจารย์ท่านทําได้ยังไง mm hmm. เกิดมือนะแปลกแปลกอยู่วิธีการแบบนี้ก็ไม่เคยเห็นใครก็ทํากัน mm hmm. แต่ว่าก็ประทับใจ mm hmm. ในระนาด ก, การแสดงธรรมที่เป็นระนาดคําอุทาน โบราณรมที่เวลาพระปฏิบัติท่านเทศเราไปรู้สึกมันโดนกิเลส ข, ของเราโดนจิตโดนใจของเราท่านรู้ได้ยังไงพูดเหมือนกับพูดกับเราสองคนจริงๆท่านพูดของท่านนั่นแหละแต่มาโดนเราด้วยเราก็โอ้คาถาไทายกันอย่างนี้เลยถ้าทำแล้วมัรู้สึกตัวก็แสดงว่าบาปนะเคลื่อนมือแล้วมัรู้สึกตัวก็แสดงโอ้ ชีวิตนี้มันมืชดชัดๆโง่หลงงมงายขนาดสัมผัสลวมก็รู้ไม่ได้คนที่ไม่รู้สึกตัวก็ลนแล้วแต่เป็นวิปลาสเป็นบ้าทังนั้นเราคนหนึ่งอะที่อาจจะไม่ใช่คนที่ทันพูดก็ได้เราก็ลงมือทำสรุปจะประเด็นเนีพอลงมือทำมันก็เจอปริเทศความกังวลต่างๆโผล่ขึ้นมา ในรูปรอยของการคิดการปรุงกันแต่งคิดถึงบ้า น, นตัวอยู่ที่วัดป่าสูง โ, โตแต่ใจกันนู้นกลับให้บ้านคิดถึงบ้านห้องนอนคิดถึงมุมนั้นมุมนีน้ที่อยู่แล้วมีความสุขมานั่งอยู่ที่นี่เห็นมีความสุขตรงไหนเลยยิ่งปฏิบัติยิ่งทุกข์คิดถึงบ้าน บริโภคคิดถึงเอ้เราเรียนปฏิบัตินีิยกมือสร้างจังหวะมันจะรู้หรือเนี่ยเพื่อนของเราเดี๋ยวเรียนมหาเปลี่ยนสาเปลียนสี่เปลี่ยนห้าเป็นหก เ, เ, เ, เวลาเปลี่ยนเก้ามานะคนกราบกั น, เ, นเวลาลงไปข้างล่างเจ้าคณะจังหวัดพระสังฆาธิการฝ่ายปกครองกราบกัน มันก็น่าเรียนเหมือนกั น, นปริยัติน็ห่วงกังวลไปอย่างนั้นกรบพูดท ร, รมาี่แม่ภาษาบาลีฟังแล้วมันรู้สึกว่มแม่อั จ, จาริยะจริงๆจำได้ยงไงประโยคยาวๆพูดปลอเลยเหมือนเป็นเจ้าของภาษาเราไม่รู้ว่าพูดผิดหรือพูดถูกก็ไม่รู้แต่รู้ที่แน่ๆคือศรัทธาฟัง้วพระมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ มันก็คิดอยากจะเรียนไปเรียนที่ไหนดีวางแผนตลอดบวชจะเรียนอะไรเราก็ไม่มาบวช ท, ที่นี่สิบวชทาุงเทพย่แย่าดังๆวัดดังๆปเปลี่ยนการประโยค์เอ๊ะมันอยู่ที่นี่มันต้องปฏิบัติเนี่นะ <c oughs> ตั้งใจปฏิบัติท <c oughs> ันบ่อยเกินไว้รู้สึกตัวเราก็มารู้สึกตัวตัดกลับมาตัดกลับมามันก็คิดถึงอีก <c oughs> อยู่นี่ก็จตาย ทิงแต่ที่สุกโตแล้วมั้งงูก็เยอะตะขาบก็เยอะต้นไม้ก็เดี๋ยวก็คลุ่มลงมาลมพัดหน่อยก็โคร้มลงมาต้นไม้ที่นี่รากมันจะตื้นรากแก้วมันสั้นๆเพราะว่าข้างในมันหินทั้งนั้นมันโตแต่ข้างบนนะลำกระบานแผ่ออกไปรับส่วนทรงรูปทรงของกลรากแก้วไ่ลึกลมแรงๆหนยก็คล้มลงมา ที่กัฟ้าร้องฟ้าผ่าอยู่ที่สูงกลัวสะดุ้งเห็นว่ามีภัยมันก็ไม่อยากอยู่หรอกเกิดปริโผลความกังวลห่วงญาติพี่น้องเออเรามาอยู่อย่างนี้ก็จะอยู่ยังไงลูกเต้าเหล่าล้านเพ่อนพร้องบริวารต่างๆ มันก็ห่วงอดห่วงญาติห่วงหมู่คณะต่างๆเราปฏิบัติอยู่เพื่อนๆก็นอนทําครัวก็นอนเพื่อนๆก็นู่นดูน้ำดูไฟเพื่อนๆก็นู่นไปถางป่าปลูกลำไม้งานก่อสร้างเราก็เราเก็บตัวอย่างนี้กังวลนะรู้สึกว่าเราแปลกแยกไม่เหมือนพวกก็ลหรือเปล่าใครๆก็อยากมีเพื่อนพ้องบริวารนั่นะ แต่เรากลับมาแปลกแย่กับเพื่อนะปฏิบัติเอาเป็นเอาตายเดินออกมาก็นนะ่าเหมือนผีดิบนะมันเหมือนผีดิบในเะวลากำหนดรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนะี่ยเดิมข้ามสะพานเนะี่ยป้าสวนมาเนะี่ยต่างคนต่างไปทําไมไม่ทักกันเห็นหมดมาแหมหมดยังเดินแตะหนวดแตะหนวดแตะหนวดนะไอเราเป็นคนแทๆ้ๆเดินไม่มองหน้ากันเหมือนกับกอดกันสักกี่พบกี่ชาหรือเปล่าเนี่ย ม, มันก็คิดไปโน่น เป็นหรือเปล่าโยมกลัวแปลกแยกคิดถึงเรื่องสารพัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาปวดหัวตัวร้อนไม่สบายอย่างช่วงนี้นะอากาศเปลี่ยนคันเนื้อคันตัวสองสาวันแล้วเย็นๆนำํำได้จะจับไข้ร้อนๆผู้ๆป่าๆเป็นอย่างเงี้ยมาสาวันติดแล้วแต่ก็เออดูมันเดืมดนามเยอะๆ ทีนั่งโดลงนลมน่ยกระเจาเฟ้ยเฟ้ยเฟ้ ย, ฟยถ้าเป็นมา่ก่อนนั่นเลยโน่นนะเดินหาตู้ยาแล้วมียาพาราสักสองเม็ดสาเม็ดแมมอัดมันนีกินดักไว้ก่อนเน<ม>่ยคือปริโพดความกังวลเ<ม>นี่เราอยู่ทางบ้านในวันหนึ่งมีค่าตัวทอนนั้นทอนนี้ทำโครงกางาน ม, มันก็ปริโพดเรื่องราสกาละนะ<ม>อยู่เว็นปลานี่ไม่มีเลยสักบาทหนึ่ง ไม่มีใครให้คนนั่นคนนี้คนน้นก็ไม่ได้มาขับรถนะอย่างตอนนี้สอจจอมงขับรถสีขาวป้ายแดงมาฟ o r t จ n เนองี้นนะเป็นมาก่อนนั่นแหละโอ้ยออกมาสักคันนะเอามาขับอยู่อย่างนี้เดินสัาขาวบวมมาแล้วไงสมัยก่อนนี่ไปไหนก็ต้องเดินเอาเดินเดินเดินเดินเดินเดิน เวลามีรถผ่านมาไปแดงๆแล้วชอบดูรุ่นใหม่ไปอย่างนี้แล้วนเนาะรถรุ่นใหม่มันก็ส่งจิตออกไปก็เรียกว่า ม, มาอยู่อย่างงี้เนี่ยเขบอกว่าหยุดทางการงานเนี่ยทําธุรกิจนะหยุดคือถอยหลังนะคนหยุดทําเมื่อไหร่มีวันหยุดไปเที่ยวเน่ยถือว่าถอยหลังเลยการค้านี่เรามาบวชแล้วไะ หนึ่งเดือนสองเดือนโอ้หยุดมาสองเดือนแล้วมูลค่าของธุรกิจของการงานว่าน่าจะได้ก็คิดไปอย่างนั้นนะท่านที่จะรู้สึกตัวเกื่อนไหว้รู้สึกเกอนไหวรู้สึกกังวลผลปริโยชน์กังวลมากมายเหลือเกินเออเนี่ยศึกเราจะทําไงดีตั้งใจบวชสักสองปีวางแผนศึกเดินทางวันศึกกวนหัวโล้นกนคิ้วคิ้วคงยังไม่ยาวนะ ล้วก็ปวดสองปีคนหัวทุกวันหัวก็ล้านขึ้นล้านขึ้นถเถอะเอก็ไปเธอก็ไปคงไม่หล่อเหมือนเก่าแล้วเ้ ย, ยางานนี้ก็ <c oughs> คิดไปแบบนั้นนะ่ะเนาะโยม <c oughs> ปริพเท์ปริพเทศเราให้ฟังเป็นตัวนี้แหละแทนที่จะรู้สึกตัวไม่รู้ไปโน้นมิต ก, กังวลไปเนะพราะนั้นเราก็จึงนี่แหละเห็นตัวเองเันจัดลวเกินนะวันแรกแรกอจจะเป็นเหมือนกันแหละ เรื่องนั้นเรื่องนี่เรื่องนู้นอาหารบางทีก็เรื่องอาหารเบวชพระนี่มือเดียวมันไม่ใช่สองมือสามมือมาก่อนไม่มีจะกินหรอกของกบฉันนี่ไม่มีเลยไม่มีหรอกขนม อ, อะไรล่ะเบเกอรี่ล้อนๆจากครัวมันยุคนี้ไม่มีไม่มีเลยมาก่อนนะเคยมีเหมือนกันนางมองหน้าอาจารย์กูกิอยู่สมัยนั้นพระญี่ปุ่น เราเนี่ยมันอดอยากนะอยู่ที่นี่นั่งมองหน้ากันนะคนญี่ปุ่นเข า, าก็มากันมากันก็ไม่มีอะไรจะกินตัดสินใจบริโบทเรื่องอาหารวันนั้นตอนนั้นอาตมาทําครัวเพื่อยงคือแม่ชีทําครัวชอบหวงครัวทะเลาะ ก, กันจะมาคกสักเบื่อตีกันเพื่อยงไปให้เก็บอารมณ์ <laughs> แล้วใครทำแล้วกันนี้อาตมาเราไปทํา ทำไงอ่ะนึ่งวันนี้ไม่มีจะกินเลยนะของไม่มีเลยก็มีมันขึ้นอยู่บนหลังเข่าโยมพระขุดมันอาบัตไหมเนี่ยก็มีปัญญานะไม่ต้องขุดมันมันห้านาทีรู้จักไหมมันสำหรัหลังอ่ะทางนี้ก็เรียกห้านาทีหมายถึงว่ามาต้มแล้วก็สุกภายในห้านาทีพระเก็บอารมณ์ในยุคนั้นก็ขุดมันต้มกินกิน จีรังกาบางกล า, าเทศอะไรพวกนะั้นต้มมันกินกันอาตมาก็เอามาทําเป็นเฟรนด์ฟรายรู้จักไหมเฟรนด์ฟรายวิธีทําก็คือขดมาทําให้อร่อยต่างตาอย่างนี้นะเอามาต้มก่อนต้มพอข้างในสุกอย่าเ้เละนะเสร็จแล้วมาตัดสักประมาณสิบเซนความยาวของมัน เป็นทอนก่อนแล้วมาหั่นเป็นชิ้ น, น, น, น, น, น, นๆิๆๆเล็กๆเสร็จแล้วน้ำมันเนี่ยให้พอร้อนไม่ถึงกับเดือดจัดเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปมันก็จะกรอบนอกนุ่มในอะยมซอสมะเขือเทศเหยอ่อนสัน่ยยกนั้นเนีย่ยอาจารย์อยู่เกี่นะชอบมากๆโ อ, อยเกลือนิดหนึ่งโอ้โหปรลิโภร์ไหมนะ่มันแทนที่จะรอ บ, บินทา บ, บาด ก็อาหาันไม่พอสมัยนั้นชาวบ้านยากจนมากๆเลยวันนึงเนี่ยมีไข่ต้มใบหนึ่งก็โก้แล้วสมัยก่อนเนี่ยถ้าวันไหนเราอยากจะฉันแล้วก็แอบไปยีเอาไว้น้ำปลาใส่แล้วก็เอาไข่นะยียๆให้มันเละเลยจะได้ไปเป็นลูกนะโยมพระจะได้ตักกันทนละช้อนใส่บาททุนละ้อนใส่บาทวันไหนวันนึงเนี่ยมีพระสามลูกเนี่ยนะอาถรรพเป็นลูกที่สี่ เออมีไข่าสามลูกและพระมีสี่ลูกแนะล้วอานาไปรูปที่สี่อย่างเงี้ยสามลูกก็ยกหมดเลยนะคนละลูกคนละลูกคนละลูกเนี้ยเราก็จะคิดทันทีเลยอาจารย์โยกี่นะไม่แบ่งให้ผมเลยอย่างเงี้ยนะคิดในใจนะแล้วบอกอาจารจบปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไข่าสามฟองพระสี่ลูปยังหาไม้เป็นเลยเงี้ยพอริีพอร์ตงานนักเ <laughs> นี่ยวฏิบัติธรทำเป็นอย่างเงี้ยนะ เราก็เห็นนะโอ้ยความคิดของเราเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเลยนะไม่ต้องไม่ว่าใครก็เลยก็ว่าตัวเองนั่นแหละปฏิบัติธรรมเห็นตัวเองชอัดเหลือเกินนั่นเะลยเพราะว่านะสิ่งที่ชวนให้เราเผลอหลงนะ่ยนะมันเป็นสิ่งที่ต้องผ่านทุกคนนะต้องเจอต้องเผชิญกับทุกคนเลยนะเช่นเรามีร่างกายมีรูปขันเนี่ยนะบางที่เราเริ่มต้นปฏิบัตินาะมันอึดัดโยม นั่งนานๆเนี่ยมันเมื่อยมันปวดมันเข็ดเลยนะบางทีพอจิตเข้าในเพ่งๆหน่อยหนึ่งมันแน่นนอะออกขึ้นมามันตีขึ้นมาเลยนะบางทีมีความสึกมันขึ้นหัวเลยนะจิจี๊ดจิจี๊ดอยู่ในหัวเนี่ยไม่รู้มันจะเป็นอะไรของทำไมของเขาระบบประสาทมันปรับเนื้อปรับตัวจริงๆแล้วนะบางทีก็อาเจียนขึ้นมาทมาเลยเข้าใจว่าการสํารออ ก, กิเลสเนะี่ยบางทีมีการอาเจียนได้ยม หนึ่งวันสองวันอาเจียนเะอาไว้เฉยๆซะนั้นนะไปเช็คดูอาหารก็สะอาดดีแต่ป ร, กรากฏเราปฏิบัติแล้วเพ่งเพ่งกันมารู้สึกตัวมันไม่เกิดความพอดีนะก็ไม่ได้หมายถึงว่าผิดทําเป็นประสบการณ์ที่เราต้องปรับปรับสมดุลขึ้นมาเขาเรียกว่าอัตตะจริดมาฐานโยกมีรูปขันปับ๊บมันก็จะเข้าไปในรูปขันทันทีเลยไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอย่างเงี้ยเจ็บไข้ไม่สบายปวดหัวตัวร้อนขึ้นมา ก็เจอด่านของมารมาชนแล้วนะเรียกว่ามารอะไรที่มันพายเราเข้มแข็งเรียกว่ามารทั้งหมดนะแต่ว่ามารมอม้าสาอารอเรือน่ะเมื่อเรามีสติมันจะเป็นบอใบไม้ทันทีบาละมีมารเป็นบาละมีมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงทันที่มันจะเป็นของเสียหายมันกลัดเป็นตัวที่ทําให้ส่งเสริมนะ ให้เราได้มันก็ว่าเข้มแข็งขึ้นมาเดี๋ยวว่าขันตมานรูปร่างกายของเรานะ่ยมันเป็นขันภาษาศาสนาเรียกว่าขันตมานถ้นาภาษาเราเราคือมีกายก็ต้องทุะกายนั่นแหละอย่างงี้ยนะคราวนี้จิตของเรามันก็คิดเก่งเขาเรียกว่าอภิสังขารมานปรุงแต่งมาว่าเป็นบุญหรือปรุงแต่งเป็นบาปก็ตามเป็นอภิสังขารมานเราได้เจอโอ้มันคิดอยู่นั่นนะไม่ดีก็ ไม่ผิดก็ถูกไม่บุนก็บาปไม่ดีก็ชัว่วอย่างเงี้ยมันก็คิดออก่าความคิดไหลออกมาอันนี้เราก็ไม่ห้ามนะไม่ปิดกั้นมันเพียงก็ว่ามันเกิดมารู้ทันหรือว่ามันรู้แต่ถูกลากไปเพราะว่าสติมันเหมือนแมวความคิดเหมือนหนูแมวตัวมันเล็กหนูตัวใหญ่ใหม่ๆนะมันลากแมวเวลาเราดูความคิดมันดูไม่แตกไปกับความคิดเลยอย่างเงี้ย นะเพราะฉะนั้นให้กลับมาที่ฐานกายก่อนรู้สึกตัวก่อนมันก็จะปลดลงทันทีจบลงทันทีหลุดจากความคิดทันทีหลุดจากอารมณ์ทันทีนะเทคนิคเบื้องต้นเลยนะทำอะไรไม่ได้คิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะแกอารมณ์ไปไม่ได้กลับมาที่ความรู้สึกที่กายนะอันนี้เบื้องต้นที่สุดเลยแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะกับการปฏิบัติธรรมนะต่อมาก็คือนะที่เรียกว่า กิเลสมานตัวกิเลสมานก็คือความหลงอันนี้มันตัวใหญ่มากๆจะแล้ประเผลอเมื่อไหร่มันก็ทันทียแหละลองลองรอยเดิมมันก็จวนคิดเป็นบุญชวนคิดเป็นบาปชวนคิดมากมายเหลือเกินจนกระทั่งมันเหมือนกับว่าเป็นวิภาควิจารธรรมรู้ข้างในก็เป็นวิตกวิจารณมีสมาธิรู้กับเรื่องข้างใน ทำมาเป็นอย่างนั้นทำมาเป็นอย่างนี้เอะเอะคิดอยู่ข้างในนะเหมือนอากาคภาคอาการต่างๆเห็นเนาะได้ยินเนาะรู้แล้วเนาะเออเนี่ยสติะระลึกรู้สึกตัวเนาะมันภาคไปด้วยนะอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์วิตกวิจารณ์ทั้งนั้นแหละมันไม่ใหญ่หมายถึงว่าเป็นฝ่ายผิดนะมันชวนทรมมันชวนให้เราปฏิบัตินะเป็นอารมณ์ที่มันเหมือนกับว่า มันคอยเทียบเคียงสภาวะต่างๆที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็คอยพูดแล้วก็ถูกซะด้วยมไม่ใช่พูดไม่ถูกนะพูดถูกแต่มันเป็นการคิดเห็นเป็นจินตามยมยามไม่เป็นอารมณ์วิตกวิจารณอันนี้ก็ส่งคลอดได้อยู่ในเรื่องของการปรุงกันแต่งเป็นบุญเป็นบาปจิตเป็นบุญเป็นบาปเกิดขึ้นมาก็เป็นมานเหมือนกันมา น, นั้นต้องผ่านด้วยความรู้สึกตัว กับรู้สึกก็จะจบทันทีความคิดหยุดลงทันทีทันทีจะเป็นคิดเห็นก็พบเห็นทันทีอย่างเงี้ยนะต่อมาก็คือตัวมารที่เราจะต้องเผชิญมาแนนะ่เมื่อปฏิบัธรรมพร ะ, ยพะโยคาวจ ร, รนะผู้ใฝ่ในธรรมเดินทางอยู่ก็ต้องเจอนะพลังของมารขวางหน้าขวางตานะตัวนี้ชื่อว่านะเทวปุตตมารนะเคยสบายไมานี่นะ เคยนอนห้องแอร์อย่างดีเลยที่นอนนุ่มๆอาหารอร่ อ, รอยๆ อ, อ, อยากเย็นได้เย็นอยากร้อนได้ร้อนให้สังเกตได้ไอตัวของเทวพุตตมานก็คือเวลาปล่อยมนะันละมันจะปเปิดตู้น้ำแข็งแล้วมันจะควักควักควักควักน้าแข็งใส่กระติกนะมันอยากได้เย็นอยากได้ร้อนนะมีไหมมีไหม อยา ก, กินน้ำเย็นๆดื่มน้ำเย็นๆอย่างเงี้ยอยากดื่มน้ำร้อนๆอะไรเงี้ยอยาอยู่ในที่สบายที่ไหนสบายอยากไปนั่งทอดหุ่ยนะเช่นตรงศาลากลางน้ำนะคับมีถพานเดินไปมีศาลากลางน้ําพักอยู่กลางทางตรงนั้นนะนะไปนั่งตรหนะ้าสบายเชรู้สึกโอ้โหลอดปร่งนะบางทีเราอาจจะเหมือนกับว่านั่งตรงนี้สบายนะ ได้พักเดียวนั้นนะมันก็จะเลือกอีกที่นึงนั่งตรงนี้ดีกว่าสบายแล้วก็เอา้าไปตรงนี้ดีกว่ามันจะเดินหาทําเลทองบรรลุธรรมนะไม่มีนะที่นี่วัดป่าสุกตัวไม่มีทำเลทองบรรลุธรรมถ้ามีนี่จะปักหลักเอาไว้ตรงนี้บรรลุธรรมแล้วจะเซ้งให้นะราคาเท่าไรก็จะมีคนมาจับจองไม่มีหรอกนะอันนี้ก็คือตัวที่มันพาเราหลงนะ เราเดินไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นกลุ่มของเทวพุตตมานตัวมัจจุมานก็คือความกลัวปฏิบัติแล้วเกิดความกลัวขึ้นมากลัวผีกลัวตายบางทีอยู่วัดอยู่วาน่กลัวขึ้นมามือไม้สัน่นบางทีบางคนก็เป็นโรคโรคประจําตัวมาอยู่วัดอย่างเงี้ยบางทีมัจจุมาลเนี่ยจะชวนไม่ให้เรายกมือสั่งจังหวะ ไม่ชวนให้เราเดินจงกรมกลับบ้านดีกว่าไปลงบ้าหาหาหมอเช็คดีกว่ามันก็าเป็นกลุ่มของตัวกลัวเรยวมัจจุมานแม้กระทั่งกลัวที่จะเป็นบาปเป็นกรรมไอ้ชั่วกลัวบาปตอนนี้ก็ใช่เหมือนกันกลัวบาปเนี่ยก็คือกลัวตายแต่ว่าตายจากความดีความงามเพราะฉะนั้นเรลาปฏิบัติธรรมเนี่ยคิดดีม่ต้องไปสนใจคิดไม่ดีมต้องไปสนใจ แต่ว่าอย่าห้ามเจ้านะเทคนิคอยู่ทางนี้ให้รู้เป็นปัจจุบันให้ได้เคลื่อนรู้สึกรู้สึกนะเจตนาเคลื่อนแล้วก็เจตนารู้ลงไปแล้วก็ปล่อยแล้วก็รู้คณาใหม่ต่อไปแล้วก็ปล่อยรู้ขณาใหม่ต่อไปเป็นปัจจุบันปัจจุบันไปเรื่อยๆจิตก็จะค่อยๆ่อเป็นปกติตื่นตื่นตื่นตื่นเราจะค่อยๆเห็นเงาของมันความเป็นปกติจิตนะบ้านหรือว่ามาตรฐานของจิตต้องปกติ เราจะเห็นจากข้างในนี่แหละโอ้การปกติเป็นอย่างนี้กลับมาดูตัวเองเอ้ยกายก็ปกติเนี่นะอย่างเงี้ยระบบประสาทตั้งแต่หัวจรน้าผ่อนคลายรู้สึกมันสบายะรู้สึกอชีวิตมันธรรมชาติดีร่างกายเป็นธรรมชาติดีป่วยเป็นอาการที่แสบแส้ขึ้นมาเป็นคนละตัวกันกับความเป็นปกติของกายปกติของจิตกัเหมือนกันมันก็คลายมันคลายหมดเลยมันเปิดเผยตัวนเองออกมา เลยกระจายอ่าเออที่จุดนี้เราเรียกว่าเปิดของที่ปิดไหยของที่ฟัม้มไม่ได้ประคับประคองอะไรเลยนะเป็นล้วในะที่เรารู้ตื่นนะรู้เป็นปกติดีทางต า, งางหูจมูกลิ้นกายใจเรียกวมันรู้ทั่วสารางกายมันเรียกว่ารู้ตัวทั่ ว, วพร้อมนะตัวนี้มันสบายนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่ทั่วพร้อมต้องรู้เป็นจุดเป็นจุดไปก่อนนะเป็นปัจจุบันเป็นจุด เป็นจุดเป็นจุดอันนี้เรียกว่ารู้เป็นลูกโซ่ตอาเป็นหรื อ, อยังไม่ és, ใช่รู้เป็นเหล็กเส้นนะรู้เหล็กเส้นช้าๆเพ่งรู้อย่างเงี้ยเป็นเหล็กเส้นรู้แต่นี้มันรู้เป็นขนารู้เป็นเปล่ารู้เป็นขนาดรู้เป็นเปลารู้นจุดรู้เป็นจุดกระตบกกลางหนึ่งกั้ลางนเป็นจุดจะรู้สึกมันคลายมันสบาย ทำแล้วเหมือนกันโอ้มันทำได้เรื่อยๆนยีไม่เก๊กไม่เกรงไม่เพ่งไม่จ้องไม่กลัวไ ม, ไม่เกินไม่เขินพวกนี้มันมีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาทําได้เรื่อยๆมีเปลี่ยนกล้าประโยคหลวงพ่อหมหาไหลท่านเคยเล่าให้ฟังท่านสมัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะเป็นพระกลุ่มของพระธรรมทูตเผยแผ่ต่างประเทศ ท่านกระจบเปลี่ยนก้าวประโยคฮะท่านบอกาอายนะอายเวลาจะยกมือ14อย่างว่างี้อายมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งชื่อหมหาสมใจจะแล้วเป็นาพาเลรขาไปด้วยการจากเมืองไทยตอนนี้หมอคงศักดันไพจิตนท่านเป็นหมอประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านมาเมืองไทยท่านก็ไม่เอาเสื้อผ้าไปเลยวันนั้นน่ะ น, นะท่านเอาเทปสื่อของหลวงปู่เทียนทั้งหมดหนังสือหลวงปู่เทียนทั้งหมดที่มีอยู่ในเมืองไทยใส่กระเป๋าแล้วไปประเทศสหรัฐอเมริกาเสร็จแล้วก็ไปที่กลวงพ่อมาหาไหลหลวงพอมาไหลยไม่สนใจเลยชอบอ่านพระไตรปิฎกเสร็จแล้วปรากฏว่าพระที่เป็นพระเลขานะอยู่ที่นนทบุรีเหงานี่มันไม่มีอะไรจะดูพเดมีงสือภาษาไทยแล้วก็ มีพระไทยนะเทศอยู่ในวิดีโอก็เปิดดูนั่งดูเสร็จแล้วก็นั่งทําตามแล้วก็ทําอย่างเงี้ยทุกวันมีการเปลี่ยนแปลงนะก็คือสงบแล้วก็เรียบร้อยผู้ใจนี่เป็นปกติหลวงพ่อมาหลายก็ผิดสังเกตอะไรผ้าหลุมนี้เปลี่ยนไปเนี่ยนะีนะย่มันเกิดอะไรขึ้นกันไปโยมาวันนึงผ้ารลุมนั้นก็บอกว่าขอกลับเมืองไทย หลวงพ่อมาหาไหลก็ไปส่งที่สนามบินตอนที่ส่งกันลําลากันพระรูปนั้นก็บอกว่าผมจะกลับไปสอนแม่สอนพ่อนะเพราะว่าถ้าผมไม่ไปพูดตนเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะตายเมื่อไหร่ท่านเนี่ยเมื่อไหร่จะวิบัตรทักทีดูสิพูดย้อนพระเลขาย้อนหลวงพ่อมาหาไหลทั้งเปลี่ยนเปลี่ยนเก้าประโยคเมื่อไหร่ท่านจะวปบัตรทักที หลวงพ่อมาหาอะไก็สะดุดเลยนะเอะ๊เกิดอะไรเกิดล่ะสังเกตว่าพระรุ่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงสงบเสงี่ย์สำรวมระมัดระวังเข้าไใจรู้สึกออท่านเป็นปกติมีทรร ม, มอย่างนี้นะแกสังเกตอยู่พอพูดคำนี้ปั๊บเนี่ยอสนใจเลยว่าสื่อกองนะนั้นครจะมีผลนะก็ไปเปิดดูพอ ไ, ไปเปิดดูแล้วก็ทำตามทำตามในสื่อยกมือสิบสี่ยังไง พอมีคนมาปั๊บก็หยุดทันทีอายกรรมฐานอะไ ร, ไ ม, ร, มรไม่เคยเจอเคยเจอเรียนมาจนจบเปลี่ยนเก้าวิญไม่เยจอเคลื่อนเบอ14สิบส่จังหวะพยกเข้าคนอื่นเห็นเงอายมันต้องนั่งนิ่งกรรมฐานนะนั่งนิ่งๆนั้นบอกแหมมันต้องดูลมหายใจหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกอย่างเงี้ยมันเป็นการฝึกสติฝึกสมาธิอย่างเงี้ยไอ้นี่มาทําอะไรก็เลยยกไปยกมาเมือ่อดูไม่สุภาพ ไม่สบายหูไม่สบายตาคราวนี้ตอนหลังคนมาเยี่ยมเยอะแต่ท่านก็เริ่มสนใจว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันมีอะไรเปลี่ยนไปขณะที่ยกมือ14บสี่ังกว่านีมีวันนึงท่านเห็นความคิดและคิดโกรธพอยกมือปับ๊บความโกรธมันดับปุ๊บลงไปเลยท่านบอกว่าเฮ้ยอาจจรรย์นะแล้วท่านก็เลยไปแอบยกในห้องน้ำํำต้องเข้าห้องน้ําแล้วก็ยกมือ พอยกข้างนอกไว้ไดไอคนอาจารย์สอนก็ดูลมหายใจอาเงี้ยอาจารย์มายกมือทําอะไรอย่างเงี้ยยกมือเน่ยเหมือนมีตะปบอกะปึบปับปึบปับปึบปับเนี่ยนักปฏิบัที่เขาชอบนั่งอนาป่าก็จะพูดกันเวลาเดินจงกรมนี่ยเหมือนกับอีเห็นติดกลงเหมือนกับสัตว์ที่มันโนขังอยู่ในกลงมันก็เครียดอ่ะเนีเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับเวันนั้นพอ หลวงพอ่อมหาไหลยนะเห็นความคิดที่มันโกรธอารมณ์ที่มันโกรธดับลงแล้วแอบยกในห้องน้ําอีกไม่นานนะักหลวงพอ่อเขียนเนียท่านไปสอนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเราไปพักอยู่ที่วัดของหลวงพอ่อมหาไหลยตั้ตอนนั้นมาหลวงพอ่อมหาอ๋อก็ตามมาอยู่ที่วัดนี้แหละคราวนี้พอมาอยู่วัดนี้ปั๊บเนี่ยท่านก็กลัวคืออารมณ์กลัวเนี่ยมันละเอียดความโกรธเนี่ยมันหยาบมาเร็วไปเร็วแต่กลัวเนี่ย มันเป็นตัวที่กลัวตายมัจจุมาล น, นะแต่ตอนนั้นไม่ได้กลัวตายเป็นกลัวตุ๊กแกพระนะเปลี่ยนกล้าประโยคแต่กลัวตุ๊กแกจ้างเจ้าบ้านเนี่ยมาจับนะจ้างพระในวัดเนี่ยไปจับนะกลัวขนาดหนักเลยพอเข้าไปในห้องปั๊บเนี่ยมันมองแล้วก็อ้าปากแดงอ่าอ้าอ้ามันก็น่ากลัวจริงๆโยมอันมาคนนึ่งละที่ไม่อยากอยู่แล้วตุ๊กแกหนึ่งขี้เหม็นมาก เวลาขี้มานเหม็นจริงๆเลยอีกอันก็คือเวลาเขาอยู่ในกรดนานๆเนเราเข้าไปเขาจะขู่เราก็เหมือนการที่หลวงพ่อมหาไรเจอเนี่ะมองตาแล้วก็อาปากแดงแล้วมนเป็นสัตว์ที่อาฆาตเลยนะมันมาเคยจับมาปล่อยทิสลานี่แหละแล้วก็วันลงขึ้นก็เจอเขาเอาคืนเรานั่งพูดอย่างนี้แหละก็วิ่งก็ก็ก็ขึ้นไปบนหลังคา แล้วก็ขี้ตรงหัวเลยเลยแปะ๊ะแห่อนามาก็อะไรวะเอามาแล้วก็เฮ้ยเนาแล้วมันก็อาปากขู่อนามะมันก็น่ากลัวจริงจริงไหยมันอาฆาตร้ายมากไงมึงหลวงพ่อมาหาหลายกลัวแล้วก็จับนั่นนะแลทะะะท้ท่านก็ไปทําอย่างทั้งเดียวเนี้ท่านอยู่ที่ตรุคขามท่านไปไปไหนเลยนะเป็นศูนย์นพัฒนาจิตประจําจังหวัดเปลี่ยนก้าวระโยกมันก็เลยเป็นตัวที่สุดเออหลายคนไนงะ ที่เป็นเปลี่ยนเก้าประโยชนในเมืองไทยจบสูงสุดทางวุฒิศนน์แต่ว่ายกมือสิบสี่อย่างว่าเราก็ว่าเออยอมรับเราเลยคนใหม่ไม่ต้องลังเลนะที่มันยกไปทําไมอย่างเงี้ยมันมีเหรอวัดข้างข้างบ้านนนไม่เห็นก็ยกเลยมาที่นี่ทําไมยกกันจังเลยอย่างเงี้ยแล้วมาที่นี่บางลูกก็ยกบางลูกไม่ยกเนี่ยสงสัยพระทะเลาะกันแล้วมั้งเนี่ยทาไมไม่สมัครสมานสามัคคีกันอะไรเงยนะก็คิดไปต่างนานาเสวราทั้งนั้นเลยนะ จากนั้นให้ตรงๆซื่อๆกับตัวเองนะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบานนะหามไปโทนนี้เลยวิสัยบัณฑิตไม่เชื่อแต่ก็ไม่ปฏิเสธนะให้ทําก็ทํ า, ทาจับประเด็นตรงนี้ว่าให้มารู้สึกตัวเวลาเกิดนะเราวลาจิตมันคิดแปนะ๊บเนี่ยเออนั่นนะมันไม่ใช่สิ่งที่เราทําหรอกเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเป็นนาธรรมนะถ้าเราเข้าไปเดี๋ยวได้เรื่องคิดแล้วโกรธมีผลต่อตั กีฬากลัวมีผลต่อตใจกิฬาดีใจมีผลต่อหัวใจกีฬากังวลใจมีผลต่อม้ามนะ ค, คิดมากๆเครียดมากม า, ก ม, ากมีผลต่อระบบสมองระบบประสาทอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นความาเป็นปกตินี่ดีที่สุดนะเหมือนกับอาหารนจิตจืดนี่ดีที่สุดเข้าใจไฝาดสมานอย่างเงี้ยหวานนี่มันสมานเกี่ยวกับเป็นเะรืร่องของอักเสบต่างๆสมานหายได้ลดฝาดหวานทราบเนื้อ มาเบื่อขับพิษดีโลหิตบำรุงก็ต้องลดขมขับลมต้องเผ็ดร้อนเอ็นอ่อนต้องลดมันอย่างเงี้ยนะหอมชื่นใจยาม้อใหญ่อันไหนที่หอมชื่นใจอย่างเงี้ยพวกอดอกไม้ไทยทั้งหลายทั้งปวงบัว ง, งาา้าสาหรีอย่างเงี้ยนะต้นบุญนาคพิกลพวกนี้ยนะเป็นยาม้อใหญ่บำรุงหัวใจเข็มนั้นใจให้ผิวหนังเสมหงต้องลดเบี้ยวอย่างเงี้ย หนึ่งเดียวคือรถเจิดรถเจิดเนี่ยไล่รสชาติแต่ขาดไม่ได้เป็นอาหารที่ตลอดการเป็นเรื่องของยาอายุตนะดีๆนี่เองอะไรมากไปน้อยไปไม่ดีทั้งหมดนะความพอดีจึงดีเพราะนั้นการยกมือตีสี่ชิช้นแหวหาความพอดีให้ได้ไม่ช้าไม่เร็วพอดีของใครของเราไม่ต้องไปเรียนแบบใครก็นะเห็นเขาเร็วเราก็เร็วมัง <c oughs> ง้งคงจำบรรลุธรรมห่อกนะอย่างเนี้นะมันจะไปเรื่อนั้น ด้วยเห็นก็แช่ไปช้าตามเขาอันนี้เป็นความไม่พอดีนะให้พอดีของใครของเราส่วนเร็วไปช้าไปเป็นตัวแก้อารมณ์ปฏิบัติเวลาง่วงเงี้ยนะทํายกมือติดติดจังหวะแล้วมันง่วงเงี้ยเมื่อง่วงแล้วทาําไงจะไปแค่เนี้ยสู้กับความง่วงไหมจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบมันก็ดิกนิ้วสู้กับง่วงเงี้ยเสร็จมันนะนะ <c oughs> แล้วเวลาง่วงยอย่าหลับตาให้มันนิมิตหมายคือทอดสะพานให้กับความง่วง ปรับตาเนี่ยเวลาทําให้เลื่มตาทำน ะ, ะมีอะไรอีกมากมายแล้วกันที่จะต้องพูดกันแต่ว่าให้เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมนำาการพูดให้ฟังเป็นเพียงแค่ล่องรอยที่เคยทามาเหมือนกันบางทีอาจจะเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยนะเพ่าดังนก็ยืนยันว่าสมควรแก่เวลาก็ขอใหนะ้พวกเราที่มาร่วมกันปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะก็ขอใหนะ้ความรู้สึกตัวนะหรือว่าความเป็นปกติจิตนะ กระจองดีวันดีคืนจนกทั่งเป็นที่พึ่งในจิตในใจของเราจนพอใช้โดยทั่วนาการทุกท่านทุกคนทั้นเธอ